รู้สึกตัวสบายสบายการภาวนาไม่ใช่นั่งเพ่งเอาเพ่งเอาสมาธิมีหลายแบบสมาธิหรือสีก็มีนะทำพาพแล้วก็ให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายสมาธิของพุทธเจ้าเป็นอีกอย่างหนึง่งใจมันตื่นขึ้นมาเป็นพุทธ ใจมตื่นสมาธิแบบฤาษีพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธก็เห็นว่ามีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้พักผ่อนเวลาเจริญปัญญามากๆมันเหนื่อย ม, มาทําความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียว ไ, ได้พักผ่อนนะสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านก็เห็นว่าดีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเพื่อมรรคผลนิพพาน สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ภาวะแห่งความตื่นนั่นเองจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวคนในโลกลืมตัวเองตลอดกระทั่งเข้าฌานใจก็ไหลไปใจไหลไปก็ได้แต่ความสุขความสงบจิตใจไม่อยู่กับตัวเองเดินปัญญาไม่ได้สมาธิ ของผู้เจ้าที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองแล้วมันเข้าฌาญได้ด้วยนะทั้งๆที่อยู่ที่ฐานเนี่ยเข้าชานหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดปดได้ได้เหมือนสมาธิฤๅษีเหมือนกันแต่ฐานเป็นคนละที่กันสมาธิฤๅษีฐานไปอยู่ที่นิมิตสมาธิของผู้เจ้าฐานอยู่ที่จิต นี่พวกเรานักปฏิบัตินะเกือบร้อยละร้อยในยุคก่อนนะยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วยุคก่อนนะเอาแต่เพ่งเอาไปที่ไหนมีแต่คนเพ่งซึมซึมดูดีถามว่าดีไหมดีดีไหมนิพพานอนาได้แต่ดีเพราะเราไม่ได้เอาดีมันเหนือดีขึ้นไปอีกกว่าจะแก้ได้นะก็ลําบากเหมือนกันนะกว่าจะสอนสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาได้คนไม่รู้จัก ที่จริงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเคยสอนนะแต่ท่านไม่ได้สอนจริงจังขนาดหลวงพ่ออย่างหลวงปู่ดุลบอกอยา่าท่งจิตออกนอกฟังเพลินๆก็คิดว่าตัวเองไม่ออกนอกความจริงออกเรียบร้อยแล้วอย่างพุโทโธจิตไปอยู่กับพุโทโธนี่ก็จิตออกนอกแล้วรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็จิตออกนอกแล้วดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องนี่ก็จิตออกนอกทาจังหวะ จิตไปอยู่ที่มือก็จิตออกนอกเหมือนกันไปเพ่งจิตเพ่งลงไปจะว่างๆแล้วไปเพ่งใส่ความว่างนี่ก็จิตออกนอก mm hmm. นี่นหลวงปู่ดูลก็สอมารถจิตไม่ออกนอกก็คือจิตตั้งมั่นนั่นเองแต่ท่านไม่ได้พูดภาษาแบบหลวงพ่อท่านพูดแบบคนไม่ทะเลาะ ก, กับท่านอย่าส่งจิตออกนอกฟังเราดูดีไม่ต้องทะเลาะ ก, กัน จิตต้องถึงฐานจริงๆนะตั้งมั่นจริงนะที่ทำอยู่ไม่ถูกนะทะลอนแน่นอนเลยไม่เฉพาะหลวงปู่ดุลนะที่สอนว่าจิตต้องถึงฐานจริงๆนะแต่ท่านใช้ภาษาว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพุทเทศสอนหลวงพุทเทศสอนสมาธิสองชนิดนะอย่างหนึ่งเรียกว่าฌานอันนี้สับบรรยัติของท่าน คำ ว, ว่ฌานเนี่ยคือตรงกับคำ ว, ว่าอารามณูปนิชานการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่สมาธิสงบสมาธิฤาษีอีกอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิเป็นภาษาบัญญัติของท่านถ้าศัพท์ที่ถูกเขาเรียกว่าลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจท่านก็สอนนะท่านสอนมากกว่าหลวงพุดุล หลวงป่ ด, ดูลย์บอกอย่ากส่งกีดอกนอกไม่มีใครเถียงด้วยหลวงปู่เทศสอนเรื่องฌานกับสมาธิเรื่องมีคนว่าท่านหาว่าท่านภาวนามไม่เป็น mm hmm. ตัวไม่เป็นหรอกเข้าใจว่าท่านไม่เป็นท่านสอนเรื่องจิตกับใจ mm hmm. คิดแต่ว่าต้องมีกายต้องเรียนเรื่องกายก่อนหลวงปู่เทศสอนเรื่องจิตกับใจว่าท่านภาวนามไม่เป็น mm hmm. นึกถึง ในสามก๊กมีฉบับว่านิพกของอยากขอบใครเคยอ่านไหมอยากขอบเขียนบอกว่าคงเบ้งอ่ะคงเบ้งนะเทียบเทียงเหมือนพยาครุษบินเหนือเมฆคู่ต่อสู้ของคงเบ้งอนะ่ะเหมือนนกกระจอกบินเตี้ยเตี้ยมประเมินพยาครุษนะพยาครุษไม่เก่งหรอกจริงคนละระดับกัน ธรรมะของผู้เจ้าสูงไม่ใช่ของหลวงพ่อนะของผู้เจ้าหลวงพ่อได้อาศัยบารมีครูบาอาจารย์ได้เข้าไปเรียนจากท่านได้ท่านถ่ายทอดมาให้สมาธิมีสองชนิดนะสมัยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังไม่ตรัสรู้ตอนเด็กๆใจยังไม่มีมัญญา นั่งอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวนั่งรู้ลมหายใจท่านก็เห็นนะคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวอะไรหายใจออกอะไรหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอะไรรู้ใจเป็นคนรู้มีจิตเป็นคนรู้ขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจมีจิตเป็นคนรู้ท่านก็ได้ฌานที่หนึ่ง กระโถมาชาญมีฤทธ์นะได้ฤทธ์มาด้วยเสร็จแล้วท่านก็ลืมลืมสมาธิชนิดนี้ไปอยู่กับโลกต่อไปมีลูกมีเมียอายุ2ี 29, ่สเก้าแล้วาออกมาบวชทันทีที่ท่านออกบวชสิ่งแรกที่ท่านคิดก็คือต้องไปหาฤาษีนั่งสมาธิแล้วเหมือนพวกเรา คิดถึงการปฏิบัติธรรมไมื่อใดก็ต้องไปนั่งสมาธิแบบฤๅษีไว้ก่อนคิดว่านั่งไปเรื่อยๆแล้วบรรลุเจ้าชายิทธถะไปนั่งสมาธิไม่กี่วันยนะได้ถึงฌานที่แปดจบหลักสูตรของฤๅษีท่านก็ถามฤอษีว่ามีความรู้ที่ยิ่งกว่านี้ไหมอุท ธ, ธกรดาบดบอกว่าหมดแล้วละไม่มีความรู้มากกว่านี้แล้ว ท่านก็เลยรู้ขึ้นมาว่าโอ้สมาธิฤิสีหาสาระอะไรไม่ได้ไม่พ้นทุกข์หรอกพ้นทุกข์เฉพาะตอนเข้าฌานออกจากฌานมาก็ทุกข์อย่างเดิมกิเลสกลับมาอีกตัณหากลับมาอีกไม่ใช่ทางท่านก็มาค้นหาทางของตัวเองก็เหมือนพวกเราทํานะมาบังคับกายบังคับใจนี่พวกเราจะเดินโจงกรมก็บังคับกายบังคับใจ นั่งสมาธิก็บังคับกายบังคับใจแต่ว่าอ่อนๆหน่อยไม่รุนแรงเท่าที่เจ้าชายสิทธัตถะ ท, าทมาอย่างท่านอดข้าวหลายวันอดจนเป็นลมสลบไปที่พื้นเลยเด็กเลี้ยงแพ้มาเห็นนะสงสารนอนอยู่กับพื้นหน้าปากหอมแห้งเด็กนั้นมันเป็นวันณะต่ำไม่กล้าถูกตัวท่าน ไปอุ้มมาป้อนนมอะไรก็ไม่ได้มันก็ฉลาดมันลากแพ้ไปลากแม่แพ้ไปไปบีบน้ําน ม, มเข้าปากท่านต้องโมทนาบุญเด็กนี้นะเราอ่านสัมมาอ่านประวัติถึงตอนนี้เราก็เฉยเฉยเหมือนไอ้เด็กคนหนึ่งไม่รู้หรอกว่าบารมีมันขนาดไหนบุญมันขนาดไหนนะช่วยพระโพธิสัตว์ไว้ รอตายมาได้ท่านก็ น, นึกได้ว่านี่มันรุนแรงเกินไปทรมานตัวเองไม่เห็นจะพ้นทุกตรงไหนเลยอยากพ้นกิเลสอยากพ้นทุกกิเลสอยู่ที่จิตทุกอยู่ที่จิตมานทรมานที่กายมันจะได้อะไรกว่าท่านชาฉลาดนะให้เวลาทั้งหลายปีทั้งห้าปีห ป, หปีไม่ถึงหเดียหักเวลาไปเป็นฤาษีอยู่ช่วงหนึ่งห้าปีกว่าทําไมต้องลําบากนานแค่นี้ เพราะว่ากรรมของท่านนะท่านเคยปรามาสพระปฏเจกองหนึ่งปรามาสพระปฏเจกพุทธเจ้าองหนึ่งว่านะอยู่ในปา่าอดข้าวอดปลาลนะมั่งในได้ธรรมะมาบาปทำให้ท่านต้องทรมานตัวเองนห้าปีกว่ า, าปากระวังนะพวกเรานะ <c oughs> เปนปรามาสสิ่งที่ปรามาสไม่ได้เขาลำบากทรมานอยู่ทั้งหลายปีจนจะตายเด็กเลี้ยงแพะมันให้กินนมแพะรอดมาได้โอ้กิเลสอยู่ที่จิตความทุกข์อยู่ที่จิ ต, จตไปฝึกอยู่ที่ร่างกายมันจะไม่ได้อะไรถ้านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ สมาธิตอนเด็กๆที่ทำสมาธิที่เป็นธรรมชาติธรรมดาต่างกับสมาธิฤาษีน้อมเข้าหาความสงบสบายน้อมเข้าหาความว่างความไม่มีอะไรเลยเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวท่านก็ไปบินทบาทนะได้ข้าวมาฉันปัญจวัคคียที่ดูแลท่านเห็นว่าท่านกินข้าวแล้วย่อหย่อนแนละ้กลายเป็นคนมากๆลนะ้พากันหนีไป ที่จริงไม่หนีหรอกล่ำลาไปผู้ดีไม่ใช่กุ้ยเก็ไม่พอใจก็ลุกขึ้นเดินข บ, บวนปะท้วงหนีไปเนาะไม่ใช่หรอก <c oughs> ไปอยู่อีกที่หนึ่งไกลอยู่อิศีปัตนะมฤคตยวันท่านอยู่องค์เดียวท่านบินธบามาชันเข้ามีเรี่ยวมีแรงแนละ้วท่านก็ทำสมาธิก่อนจะนั่งสมาธินะมีคนหนึ่ง หาบหญ้าไหมหญ้ากุสญ้ากุศะหญ้ า, านิ่มๆนะเห็นท่านก็นเริ่มใสถวายหญ้าคาคนไทยไมัแปลว่าหญ้าคาหญ้าคานั่งไม่ได้บาดมันคือญ้ากุสะถวายหญ้าแปดกำมือหญ้าแปดกำมือถ้ามาปูแล้วจะสูงไหมไม่สูงหรอกติดๆพื้นนี่เองแปดกำมือมาปูนั่งเพราะงั้นไม่ได้นั่งสูงๆอะไรหรอก ท่านถึงเอามือแตะพื้นดินได้เรียกแม่ธรณีมือแตะพื้นได้แล้นนั่งสูงๆแตะไม่ถึงดูแล้วไม่สง่างามเลยตรงนี <c> ้ <oughs> นั่งเตีเต้ยได้ เ, เล ย, เลยปู่ย่าลงไปใต้ต้นโพนะตั้งใจเลยว่าจะเป็นจะตายไม่ถอยแล้ววันนี้จะเดินในเส้นทางที่เคยเดินตอนเด็กๆไม่ถอยทางนี้ไม่ได้ เพลิดเพลินตามกิเลสท่า น, นี้ไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจบังคับใจก็แบบพวกฤาษีบังคับกายก็แบบพวกที่ท่านไปทรมาน ก, กายมานเป็นทางสายกลางทางแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวนั่งสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตธรวมลงไปรวมยงเป็นถึงชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ในตำราบอกว่าเข้าถึงชั้นที่สี่ แต่จริงๆแล้วคำว่าฌานที่สี่เนี่ยครอบคลุมถึงฌานที่ห้าหกเจ็ดแปดด้วยเข้าคลุมมารูปไปด้วยอรูปฌปานก็คือฌานสี่เพียงแต่ว่าอารมณ์ไม่เหมือนกันเท่านั้นคือตำลักว่าเข้าฌานสี่เข้าฌานสี่แล้วเนี่ยท่านนมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะไม่ได้สงบอยู่เฉยรู้เนรู้ร ต, ตัวอยู่แล้วนะท่านดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ ก็เพราะว่ามีชาติมีความเกิดนะความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยความทุกข์ถึงมีอยู่นะอะไรมีอยู่ชาติถึงมีอยู่นะพบมีอยู่ชาติถึงมีอยู่พบก็คือความดินนดนมด้นรนของจิตด้วยเจตนาความดิ้นรนของจิตมีเจตนาดิ้นรนไปจิตจะไปหยิบฉวยพอจิตมันเจตนาทำดีก็ตามชั่วก็ตามเจตนาทำความว่างก็ตาม จิตมันจะหยิบช่วยจิตขึ้นมาก่อนหนะยิบช่วยจิตแล้วก็หยิบช่วยรูปหยิบนมามธรรมหยิบรูปธรรมอื่นๆขึ้นมาอะไรทำให้จิตดิ้นรนทำงานด้วยเจตนาความยึดถือนะตัวอุปาทานความยึดถือท่า น, นก็ไล่ลงไปเรื่อยนะค่อยๆดูดูทวนลงไป ดูของจริงนะไม่ใช่นั่งคิดนะพวกเรารุ่นหลังบางคนสอนปฏิจจสุบัติกับสอนเพ้อเพอคิดไปเรื่อยๆไร้สาระอย่างพวกเราภาวนากับหลวงพ่อเราจะเห็นปฏิจจสุบาทนะจะเห็นท้อนปลายเห็นเมตตาเห็นรูปเนแะล้วมันทำงานต่อเป็นสายขึ้นมาจนทุกข์ขึ้นมาเห็นอย่างนี้แต่ต้นๆไม่เห็นนะตอนต้นๆจะเห็นใกล้จะจบแนละ้ว สุดท้ายท่านก็รู้ว่ารากเงาของความทุกข์นะรากเงาของความเกิดมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รกักการเจอสิ่งที่ไม่รักรักเงาของความมีตัวมีตนนะคือเอาพิชาความไม่รู้อริยสัจนะเวลาเราพอนานะทีจิตก็ปล่อยวางจิตวางไปวางไปชั่วครู่ก็หยิบขึ้นมาใหม่ ในใจลึกๆเนี่ยรู้ว่าไม่ควรหยิบหรอกปล่อยไปเลยดีกว่าแต่ปล่อยไม่ได้ทําไมต้องหยิบในใจลึกๆมันรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างอยู่ยังไม่รู้อะไรบางอย่างไม่สามารถปล่อยวางจิตได้วางไปก็หยิบวางก็หยิบอยู่เช่นวันหนึ่งปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงอริยสัจคือความจริงขั้นสูงสุดอริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์อะไรคือตัวทุกข์ รูปนามนี่คือตัวทุกตัวทุกที่ดูยากที่สุดนะประณีตที่สุดนะคือตัวจิตของเรานี่เองพอเห็นความจริงนะว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกมันจะสลัดคืนจิตให้โลกเบี่ยงทิ้งเลยจิตใจที่เหลือจากนั้นนะมันแปลสภาพไปนะเป็นสิ่งที่ ครูบาจารย์เรียกว่าจิตหนึ่งบ้างจิตเดิมแท้บ้างหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่ดุลเรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านไวหลังเลยนี่จิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวบางก็เรียกชื่อต่างออกไปหลวงตามมหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพญาาสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุ ก็เดียวกันนะชื่อตั้งเยอะไงแต่ละองค์แต่และองค์ท่านก็เรียกเอาตามสะดวกก็คือสภาวะเดียวกันสภาวะจิต ท, ที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างมีความสมบูรณ์มีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองจิตของเราไม่ไม่สมบูรณ์จิตของเราไม่เต็มอิ่มจิตของพวกเราหิวหิวตลอดเวลานะร่างกายเราหิววันหนึ่งสามสี่รอบจิตเราหิวตลอดเวลาเลย หิวอะไรหิวอารมณ์อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีทางร่างกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่สนุกสนานสงบสบายอะไรเงี้ยจะหิวจิตที่ฝึกดีแล้วนะเห็นความจริงจนปล่อยวางจิตไปแล้วนะไม่หิวแนละ้วอิ่มอยู่ในตัวเองกลางวันกลางคืนมีความสุขมากต้องฝึกนะ ธรรมะอันนี้ต้องถ่ายทอดสืบทอดไปให้ได้วันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรจําไว้ก่อนแต่อย่ า, อาไปคุยโม้เอาไปเล่าต่อเดี๋ยวเพี้ยนนะธรรมะเข้าไปอยู่ในใจปุถุชนกลายเป็นสัธรรมปฏิรูปของปลอมเรารู้แนวแนวไว้ก่อนแล้วภาวนาเอามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง มีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนมันธรมาส ก, การหลวงพ่อครับพอดีเวลาเหมือนกับนั่งสมาธิไปแล้วใจมันจะเหมือนกับลงไปติดในผวังให้เรารู้ซิ ให้รู้ใจไหลเข้าไปก็รู้นะเวลานั่งสมาธิอย่าน้อมใจรู้สึกสบายๆไหรู้สึกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกสบายอย่าใจมันก็สงบไปเองถ้าเราอยากสงบเลยๆน้อมปุ๊บลงไปกนเะข้าไปติดเมื่อม่อวานตอนเย็นมันจะมันจะมีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งจะรู้สึกเหมือนกับว่า เห็นร่างกายหายใจอแล้วก็จิตใจก็คิดไปแต่ว่าขันเดิมแยกนะเราเราก็ดูไปแต่มันได้แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรอย่าอยากถ้าอยากเห็นแล้วไม่เห็นหรอกธรรมะไม่ได้ได้ด้วยอยากหรอกได้มาด้วยการรู้อย่างที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเห็นไหมไม่ได้จงใจรู้แล้วมันเห็นถ้าจงใจรู้จะไม่เห็นนะไปฝึกต่อแล้วก็เห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่ง ความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นอยู่อีกส่วนหนึ่งความคิดก็เป็นอะไรที่ล่องลอยไม่มีสาระนะไม่มีตัวตนความคิดต่อไปนมัสการเจ้าค่ะมาอยู่วัดโยมก็พยายามปฏิบัติให้เต็มที่แต่ว่าการปฏิบัติ เหมือนที่หลวงพ่อบอกก็คือมีเสื่อมมีเจริญโ<ช>ยมก็พยายามตั้งใจว่าถึงแม้ว่าจะเสื่อมโยมก็ปฏิบัติเชื่อต้องถูกแล้วเค่ะอย่างนั้นแหละถูกต้องสังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้ก็บแต่ก่อนต่างกันแนละ้วต่างกันเยอะเลยเจ้าค่ะ<ม>บางทีสมัยก่อน เ, ออเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเจ้าค่ะ ยมเจอความทุกข์ยมก็ร้องไห้มันเห็นว่าใจมันกระโดดไปรับความทุกข์ปุ๊บมันก็ร้องไห้ร้องไห้ยอมก็มองดูเอ๊ะเราก็ไม่ได้เสียใจกับมันก็ก็ถือว่ามันก็ตัดของมันไปเองเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเจ้าค่ะไม่จงใจตัดนะเจ้าค่ะจงใจเราผิดเลยรู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเจ้าค่ะเขาทางานได้เอง แต่ก็มันก็ยังไม่ค่อยเกิดปัญญายามก็ทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมันเกิดแล้วนะปัญญามีตั้งหลายขั้นนะอย่างขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปแยกนามใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะปัจจะปริขหายานรู้สึกไห ม, มสภาวะแต่ละอันนี้มีเหตุให้เกิดเท่านั้นเลยไม่ได้เกิดอลอยๆใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นไหมว่าแต่ละอันแต่ละอันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอันี้เรียกสัมมาสัญาณ แต่ว่ายังเจือการคิดต่อมาเราเห็นจริงๆเลยเห็นมันอย่างมันทํางานได้เองมันไปร้องไห้มันไหลไปเองไปร้องไห้เองเจ้าค่ะมันทําได้เองเราเห็นตัวนี้เรียกว่าอุทรยพยยาขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้เราเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่คิดเอาเลยเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตานี้แหละบางทีมันก็เหมือนคิดขึ้นมาเองเราก็เห็นว่าโอ้ยมันคิดขึ้นมาเองเออนั่นแหละเจ้าค่ะแต่จากนี้ไปยมก็แค่ดูว่า ถึงฐานหรือไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานก็กลับมาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราใช่ไหมเจ้าค่ะทำถูกแล้วล่ะเจ้าค่ะแล้วเห็นจิตเห็นใจทำงานได้ก็ดูไปดูไม่ได้ก็ดูกายไปเจ้าค่ะแล้วจิตเคลื่อนออกไปก็รู้ทันเอาดีรักษาศีลห้านะยงพื้นไหมใช้ได้นะอย่างนี้ค่อยสมไปรู้สิทธิหลวงพ่อหน่อยน้การค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะตอนก่อนนอนนะคะก็ลงไปนอน <c oughs> ใจก็คิดว่าวันนี้ได้มานอนที่วัด <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะดีใจนิดหน่อย <c oughs> อีกใจนึงก็คิดว่านี่ไม่ใช่กายของเรานะมันเป็นธาตุทั้งสี่มาประชุมรวมกัน <c oughs> จะนอนที่วัดหรือนอนที่บ้านก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร <c oughs> <c oughs> ่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวนะคะ เหมือนกับว่าเป็นรูรูพุนไปหมดเลยไม่ไม่ใช่ตัวเรา <ๆ S 2> คาฟารมรู้สึกเป็นหนึ่งนั้นดูไปอย่างนั้นนะไม่มีเราถ้าถอนความเป็นเราได้ก็ใช้ได้ะค่ะแต่ว่าวเบื้องต้นมันเจอการคิดอยู่ยังคิดนำนะแั้วไปเห็นก็ยังใช้ได้แล้วเมื่อเช้านี้นะคะลุกขึ้นมาเดินจงกรมอะค่ะปกติตื่นเช้าจะเมื่อยแล้วก็เดินช้าแต่เมื่อเช้านี้รู้สึกว่า เดินคล่องแล้วก็ตัวเบานะคะสบายขึ้นออดีสุขภาพดีก็ดีแล้วค่ะขอบพระคุณเจ้าค <c oughs> ่ะกรรนมาสการหลวงพ่อคะ่ะขอโอกาสหลวงพ่อแนะนำสิ่งที่มันยังผิดอยู่อย่ากลัวผิดนะ <c oughs> เรียนรู้จากความผิดนั่นแหละต้องรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อบอกสภาวะให้เราไม่เห็นไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยติดครูบาจาจย์ สู่เอาไปดูเอามันรู้สึกว่าบางครั้งมันจงใจมันนี่อ่รู้แล้วว่าจงใจใช้ได้แล้วะรู้อย่างนี้แหละทําไมจงใจมันรักตัวเองเนี่ยดูเข้าไปดูให้เห็นความจริงนะนมันมันจงใจมันโลบไปมันเล่าร้อนใจน ะ, ะให้รู้ทันใจที่เล่าร้อนนะค่ะแล้วถ้า ถ้าสมมติว่าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันมันจะไม่เดินปัญญาะคะ่ะอืมถูกแต่อยากให้ตั้งมั่นก็ไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาก็าแค่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็ทํากรรมฐานแล้วเราไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เขาก็ตั้งของเขาเองแหละกลับขอเข้ามาหลวงพ่อในทุกๆสิ่งนะคะถ้าเกิดมีผิดพลาดไปขอเข้ามาหลวงพออ่อดนะคะอื ม, อมรับทราบนะ พอดีผมก็มีโอกาสพึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีพอช่วงแรกผมปฏิบัติธรรมมาประมาณสามสี่ป mm ี hmm. แต่พอช่วงประมาณเมษาผมได้ขับเทพผ้าอารย์ใบมุ mm hmm. แผ่นหนึ่ง mm hmm. ผมก็มาลองปฏิบัติพอปฏิบัติอาทิตย์แรกผมก็รู้สึกว่าแยกแยกกายแยกจิต mm hmm. ได้ ผมก็แปลกใจพอมาอีกอาทิตย์ที่สองก็รู้สึกว่าใจเป็นกลางไม่มีรู้สึกว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่มีรู้สึกเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยนี่เราไม่รักษานะครับถ้าเราเคยทําสมาธิมากเนี่ยเราเป็นจ้องดูจิตอยู่เรื่อยๆนะั้นมันจะเฉยเฉยอย่างนั้นไม่ดีเฉยเพราะสมาธินะพอมาอีกอาทิตย์ที่สามผมก็แปลกใจมากเพราะ ตอนไปทำงานที่โรงงานนะครับพอพอดีงานว่างผมก็เลยเล่นเก ม, มเล่นเกมไปประมาณสักพักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีก็เห็นคล้ายๆแก้วแต่เพื่องต่อหน้าต่อตาเลยครับว่าธาตุขันหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจหมดแล้วม ไ, มไม่มีอะไรอีกแล้วผมก็แปลกใจว่าอยู่ดีๆก็แตกขึ้นมาผมยังไป<ว>เชื่อมันมากนะคแค่รูแค่เห็นเลยแต่กิเลสเรายังมีนะ ครับแต่แต่พอปฏิบัติเรื่อยๆก็รู้สึกเฉยๆครับอย่าให้ติดเฉยนะครับอย่าติดประคองให้นิ่งๆรักษาให้นิ่งๆไม่เอานะส่วนที่ได้รู้ได้เห็นก็ดีแล้วละ่ะแต่ว่าให้สังเกตที่จิตใจเวลาเผลอๆกิเลสมัน จ, จะทำงานได้แต่ถ้าเราคอยจ้องดูอยู่กิเลส จ, จะไม่โผล่ให้ดูนะงั้นเคล็ดลับในการ ตรวจสอบตัวเองแล้วเราเข้าใจธรรมะจริงหรือเปล่ากิเลสล้างไปจริงหรือเปล่าก็ต้องดูทีเผลอนะครับผมคอยรู้บ่อยๆนะใจเคลื่อนแล้รู้ใจเคลื่อนเรารู้ถ้าไม่ใจเคลื่อนใจเคลื่อนเพระสมาธิเรายังไม่บริบูรณ์แต่ว่าไม่ใช่บังคับไม่ให้เคลื่อนนะเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ฝึกบ่อยๆนะครับเรจะได้สมาธิที่ดี ความบรร้ทั้งหมดขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชานะครับพระพ่อพู้อาจารย์นะครับสาธุอย่าเพิ่งคิดว่าบรรลุอะไรนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปก่อนถ้าเรารักษาจิตอยู่เนี่ยมันจะไม่มีกิเลสบางครั้เขาจะเห็นกายตัวเองจากเครื่องไหวเองครับ ก่อนเขาคือถ้าใจเครื่องจักรติเขาจะบังคับตัวเองแต่ช่วงนี้เหมือนเห็นกายจะเครื่องไหวอยู่แต่เครื่องไหวเองแต่ใจสบายขึ้นครับอย่าไปบังคับมันนะ<ม>เราจะ <ใช S 1> ดูจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก<ช>อย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจอ<ช>ันน<ช>ี้แสดงว่าปล่อยให้ให้ให้กายเครื่องหวใช่ไหมครับใช่ มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเช่ไมันหายใจออกหายใจเข้านะมันหันไปหันมามันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราดูเหมือนดูคนอื่นอ่ะเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ใช่เขาถามว่าอันนี้ไม่ใช่ใจปรุงแต่งเคลื่อนมาใช่ไหมครับเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ใช่ไม่ใช่ใจปรงแต่งออกมาใช่มับที่จางกตเคลื่อนไหวนะเพราะใจมันสั่งนะ แต่บางอย่างใจก็ไม่ได้สั่งมันก็เคลื่อนไหวได้เองอย่างเราจะบอกให้หันทางนี้หันทางนีนะ้ใจเป็นคนสั่งแต่บางทีก็ไม่ได้สั่งมันก็เคลื่อนไหวเองจะดูไปเรื่อยๆก็เห็นว่ากายกับใจเป็นโคล่าันกันก็เห็นมากๆต่อไปก็จะถอนความเห็นผิดนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา ค่ะก็ไม่ได้ส่งกันบ้านนานก็เลยอยากส่งกันบ้านหลวงพอ่อระยะหลังนี่รู้สึกว่าเป็นกลางเวลาเกิดสภาวะต้องจะทํายังไงให้พัฒนาขึ้นกว่านี้หลวงพ่อพราะนั้นทําไม่ได้หรอกต้องทําบ่อยๆสังเกตไหมว่าธรรมะของผู้เจ้านะอัศจรรย์นนะพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆเลยเ้าภาวนาเป็นแล้วเราก็รู้พระสงฆ์มีจริงๆใจเราเปลี่ยนแปลงไปเราค่อยรู้ทัน สบายกว่าเก่าแล้วนะดูไปคทำนมัสการครับหลวงพออ่อไม่ได้ส่งการบ้านมา1ปีเขาออการส่งนะครับก็ที่หลวงพ่อเทศบอกว่าการภาวนามไม่ใช่ให้มีความสุขเอาดีเอาสุขนะครับก็เพิ่งเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจเป็นอาทิตย์นะครับดีถูกต้องแล้วครับแล้วก็ช่วงระหว่างวันผมก็รู้สึกมีความสุขมากกว่า ปีที่ผ่านๆมาถึงแม้ว่ารอบข้างจะวุ่นวายเออถูกแล้วขันมันทํางานได้นะดูไปภาวนาเป็นแล้วล่ะดีที่หลวงพ่อเรียกว่าภาวนาเป็นมีมาตรฐานนะได้จิตถึงฐานเป็นคนดูได้ถ้าจิตเคลื่อนแล้วก็รู้ไม่ใช่ว่าถึงตลอดเวลาหรอกแ้วจิตมันไหลไปเรารู้เราก็ตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นขันมันแยกออกเห็นขันมันทางานได้เอง ถ้าถึงจุดที่เห็นขันมันแยกออกไปแล้วขันทํางานได้เองนะตัวนี้ใช้ได้แล้วถือว่าภาวนาเป็ดแล้วเดินวิปัสนาได้แล้ว้ า, าวิปัสนาได้ัก็นับถอยหลังเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วแต่วัสนานะบุญวัสนามากอาจจะได้พระอรหันต์ได้อนาคาน้อยหน่อยก็ได้โสดาบุญน้อยหน่อยน้ะก็นานกว่า น, นั้นอีกเจ็ดปียังไม่ได้ก็ต้องทนดูต่อไปอีกนะ ยึดที่ทำที่สุดหน่อยว่าจะช้าหรือเร็เรวนะอยู่ที่เราสะสมมาแค่ไหนกรมนกกรมและมรรคาะหลวงพ่ อ, อ, อขอราย ง, งานการปฏิบัติค่ะของโยมดูบางครั้งดูทุกข์อะค่ะบางบางครั้งมันก็ดูว่าสภาวะที่มันสลายทีนี้ไปเจอคำหนึ่งอะค่ะว่าให้ทิ้งสมมุติ ก็ไปดูตัวนี้มันสบายก็ไม่ทราบว่าดูตัวไหนผิดบ้างหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเราไม่ทิ้งสมมุติหรอกนะเรารู้ทันสมมุตินะสมมุติหลอกเราไม่ได้ทิ้งสมมุติเช่นเดินออกไปเห็นขับรถไปนะเห็นไฟเขียวก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรทิ้งสมมุติไปหมดละใช้ไม่ได้น ะ, ะ, ะอยู่กับโลกต้องรู้จักสมมุติเพียงแต่รู้ว่าเนี่ยมันจริงจริงโดยสมมุติสมมุติเป็นความจริงอย่างหนึ่งนะเรียกสมมติสัจจะไม่ใช่แปลว่าไม่ไม่จริง Yeah, มันจริงโดยสมมุติโดยการตกลงกันขึ้นมาคําว่าสมมุติเนะี่ยมาจากคาว่าสังกับคำว่ามาติสังแปลว่าร่วมอย่างสังค ม, มร่วมกันมาอยู่ร่วมกัน <Yeah. S 2> มติ <Okay. S 2> เห็นร่วมกันคําว่าสมมุตินะ <Yeah. S 2> คือสิ่งซึ่งเราเห็นร่วมกันว่าอันเนี้ยคืออันเนี้ยอันนี้คื อ, อ น, นี้มันมีจริงเหมือนกันจริงโดยสมมุติ <Yeah. S 2> อยวยไปปฏิเสธนะต้องต้องดูไตรลักษณ์ต่อไปใช่ไหมจอ๊อดูไตรลักษณ์ไม่อยู่ที่สมมุติ ใจรักต้องอยู่ที่สภาว ะ, ะ, ะสมมติตรงข้ามกับสภาวะสมมติปัญญัติ์เรียกปัญญัติสิ่งที่คิดขึ้นมาไม่มีรูปธรรมนามาทำถ้าจะทําวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ดูที่สมมุติแต่ดูที่รูปธรรมนามาทำดูสภาวะสมมติกับสภาวะนี่เป็นสิ่งตรงข้ามกันเราชอบโม้ออีกนะว่าสมมุติตรงข้ามกับวิมุตติสมมุติไม่ตรงข้ามกับวิมุติหรอกสมมุติตรงกับข้ามกับสภาวะ รูปนามอะไรนี้งั้นหน้าที่ทําวิปัสสนาเนี่ยรู้รูป ร, รู้นามไปเห็นใจรักษไปส่วนใจจะคิดโน่นคิดนี่ช่างหมันแต่มันคิดไปนี่มันสมมุติขึ้นมาแล้วมันคิดเรื่องนี้ไปคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วสุขทุกข์ดีชั่วนี่แหละคือสภาวะแล้วเห็นสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปไอ้นี้ทําวิปัสสนาหลวงพ่อได้ยินบ่อยชอบพูดสมมุติกับวิมุติ เห็นมันมุดเหมือนกันมันคนละรากศัพท์เลยนะสมมติมันสั่งมตินะห็นนั่นมุดตาว่าหลุดพ้นมันคนไทยมาใช้มุดเหมือนกันเลยมั่วไปหมดนะนมาส ก, การค่ะหลวงพ่อดูมกักกาบขอขามากรรมต่อหลวงพ่อค่ะเหรอขอขามาศีกรรมไม่เอา ขอหลวงพ่อโปรดอโหสิกรรมให้โยมด้วยนะคะรับทราบการขอเข้ามานะหลวงพ่อยกกรรมไม่ได้ไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมหรอกแต่ว่าเมื่อเราขอเข้ามานะเป็นกรรมดีนะกรรมดีไม่ให้ผลมีทีมคนจีนจะขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยเห็นมพอขอพร้อมๆกันไปทั้งห้องเลยก็แล้วกันนะ น, กกนะครับนมัสการครับ คือผมไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับเห็นกิเลสไหมพอเห็นบ้างครับถ้าเห็นกิเลสพอเห็นบ้างก็พอใช้ได้บ้างเนาะตอนไหนโดงกิเลสหลอกก็ใช้ไม่ได้ตอนไหนรู้ว่ามีกิเลสอยู่ก็ใช้ได้มันไม่ได้ดีตลอดเวลานะมีก็ดีบ้างเสื่อมบ้างมีสติบ้างขาดสติบ้างธรรมดาในชีวิตประจาวันนี่คือผมแค่พยายามรู้สึกตัว คือไม่ได้ไปอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นร่างกายเป็นอะไรมันแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดจะเดินไปไหนผมก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็มาอยู่สังเกตที่ร่างกายบางทีก็มีใครพูดอะไรมาแล้วจิตใจมันขยับมันกระเถิดก็มาดูที่จิตใจ อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยอะไรเด่นก็รู้อันนั้นแหละนะไม่ได้ไปไจ้อง ด, ดีอย่าไปจ้องไว้ที่เดียวนะจ้องเจอหน้าคนนี้มาแล้วเราก็จ้องอยู่ที่จิตดูซิเดี๋ยวมันต้องว่าเรา มันว่าเราตั้งชั่วโมงยังไม่โกรธเลยเพราเราไปจ้องเอาไว้นะพอเผลอไม่ได้จ้องมันว่าคําเดียวชกมันละขอบคุณครับการมัสการหลวงพ่อครับอืเวลาปฏิบัติในรูปแบบผมจะดูร่างกายมันหายใจครับคือเราก็เห็นจิตมันหนีไปคิดนะครับออแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนไหนจิตมันตั้งมัน่นะครับ ตรงที่รู้ว่ามันไปคิดอ่ะแล้วมันกลับมารู้สึกตัวตอนนั้นมันตั้งขึ้นมาแปบหนึ่งนะถัดจากนั้นอ่ะก็จะจงใจตั้งเป็นปกติเลยกลัวจะไหลไีกก็จะตั้งเอาไว้อย่างนี้จะทือๆเนี่ยตัวนี้ไม่ถูกคนทั่วๆไปมันจะเผลอไปนะเผลอเผลอเอเอนักปฏิบัติมือใหม่เนี่ยจะเผลอแล้วรู้แล้วก็ไปเพ่งเอาไว้เผลอรู้แล้วก็เพ่งเอาไว้พอชํานาญขึ้นนะจะเหลือเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะ พอถึงสุดขีดมันจะเหลือรู้กับรู้รู้ก็รู้ไปถ้าถ้าผมรู้กายหายใจได้บ่อยๆแล้วก็รู้จิตมันหนีไปคิดได้บ่อยเนี่ยได้ท่านี้พอละมันตั้งมั่นแล้วก็แยกขาดแยกขันเลยใช่ไหมครับขันมันแยกอยู่แล้วตอนเนี้ตอนที่มันเห็นว่ากายอยู่อันหนึ่งใจอยู่อันหนึ่งนั่นแหละขันมันแยกแล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยผมบริกรรมพุทโธครับแล้วก็ดูจิตมันหนีไปคิดบ้างน่นถูกต้องครับ ดูจิตมันลงไปดูบ้างลงไปฟังออบ้างนั่นถูกหลวงพ่อเจอคุณแม่จันดีนะแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์ภาวนางไงจิตมันลงที่เดียวกันบอกท่านว่าหลวงพ่อใช้หายใจนะใจลมมันสัน้นสั้นตื้นเจอทั่งลมมันหยุดนะกลายเป็นแสงอยู่ตรง น, นี้แล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกเป็นหลักเดียวกันของท่านนะั้ไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุโทโธ พุทโธไปนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เช่นเดียวกันก็ได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ดูท่าดูขันเขาทำงานไปขอบคุณครับไปทำอีกนะกราบนวัตสการเจ้าค่ะก็ช่วงนี้ที่ภาวนาที่ติดอยู่ก็คือว่ามันไม่ค่อยพอดีอะค่ะหลวงพ่อมันจะติดเพ่งอะค่ะทีนี้ ถ้าจิตมันไม่ถึงฐานก็มันก็เพ่งไปเลยพอเริ่มภาวนามันก็จะเพ่งไปเลยอะค่ะเหมือนที่หลวงพ่อบอกโยบตะเกียว่าหันใหม่ๆนะเผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็จะไปเพ่งห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะเพ่งเพราะมันกลัวไม่ดีแต่ว่าพอเรารู้ว่าเพ่งต่อไปการเพ่งนี้จะค่อยๆคลายออกนะใจก็จะตื่นขึ้นมาได้พอดีพอดีแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันทํางานนะตอนนี้มันจะมาเดินปัญญามันจะเห็นในร่างกายมันทํางาน ใจเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูค่อยๆดูไปเดี๋ยวมันก็เผลอไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็เพ่งแล้วก็บังคับไม่ได้จะเผลอก็มาเผลอได้เองรู้สึกก็รู้สึกเองเพ่งก็เพ่งของมันเองตรงที่เราเห็นมันทํางานได้เองเนี่เรียกว่าเราเห็นอนัตตานะอย่าไปกงังวลว่าเว้ยไปเพ่งอีกแล้วไปเพ่งอีกแล้วเห็นไหมมันเพ่งเองนั่นแหละมันกำลังสอนธรรมะเรานะ สอนอนัตตาเราบวตกใจว่าไปเพ่งอีกแล้วความจริงก็คือดีแล้วที่เขาเพ่งให้ดูเขาเพ่งได้เองเขาไม่ใช่เราหรอกอ้างเชญกลับบ้าน